จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองโบราณที่มีวัดสําคัญอยู่มากมายค่ะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพ ก, กราบไหว้หลายรูปนะคะโดยเฉพาะถ้าจะเล่าถึงสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งที่มีพระสงฆ์เก่งทางวิชาอาคมที่ซึ่งเสียนพระรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะก็คงหนีไม่พ้นหลวงพ่อปากแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดนะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วก็เหลือไว้เพียงแค่คุณงามความดีแล้วก็เรื่องเล่าถึง บุญญาพินิหารของท่านค่ะแต่ว่าก่อนจะเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุญญาพินิหารของหลวงพ่อแดงก็ต้องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดเขาบันไดอิดกันก่อนค่ะเพราะว่าวัดนี้โด่งดังในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียว วัดเขาบันไดอิดแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็มามีฐานะเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบนเขาบันไดอิดแห่งนี้นะคะก็จะมีถ้ำอยู่มากมายมีหลักฐานค่ะว่าในแผ่นดินพระบรมราชาที่สองพระเจดฐาธิราชปีพุทธศักราช2171นะคะพระศรีสินซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าทรงธรรมค่ะได้ ถูกจับกลุมแล้วก็ถูกเนรเทศจากกรุงศรีอายุทยามาคุมขังอยู่ที่ถ้ำเขาบรรดาอิฐแห่งนี้เพราะคิดคดซ่องสมผู้คนคิดแย่งชิงราชสมบัติแต่ว่าแผนการได้รั่วไหลออกไปซะก่อนทีนี้เมื่อพระศรีศิลป์มาถูกจองจำที่นี่ก็ได้มีหลวงมงคลซึ่งเป็นพระยาทางฝ่ายมันดาของพระศรีศิลป์เองได้คุมบ่าวไพร่ามาทาการขุดเจาะถ้าทางด้านอื่นให้ทะลุติดต่อกันหลายถ้ำ จนถึงถ้าใหญ่ที่คุมขังพระศรีสินซึ่งมีแผ่นกระดานตีปิดปากถ้าแล้วก็มีทหารคอยเฝ้ายามคอยส่งอาหารแล้วก็น้ํานะคะใส่ตะกร้าหย่อนลงไปให้ปรากฏว่าอาหารแล้วก็น้ําไม่มีใครแตกต้องยังคงอยู่ตามเดิมตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงขาน ร, รับก็คิดว่าพระศรีสินเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วก็เลยรายงานให้ทางกรุงศรีอยุธยาทราบแล้วก็มีคําสั่งให้ถมดินปิดปากถ้ำซะ พระศรีสินนะคะเมื่อรอบออกจากถ้ำมาได้ก็หลบซ่อนตัวซ่องสมผู้คนแล้วก็ทหารทำการขบฏต่อแผ่นดินตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีค่ะแต่ว่าต่อมาก็ได้ถูกจับตัวส่งกลับไปที่อายุทยาแล้วก็ถูกสำเร็จโทษ วัดเขาบนไดาอิทนะคะยังมีประวัติและก็เรื่องราวอีกนะฮะว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายระหว่างปีพุทธศักราช2อ0พ่ขออภัยค่ะ2240แล้วก็จนถึง 2,249 ราัชการของพระเจ้าเสือมีพระภิกษุรูปหนึ่งค่ะนามว่าพระอาจารย์แสงเคยบวชอยู่ที่วัดมเหยงกรุงศรีอยุธยาเป็นพระภิกษุที่มีเวทมนตร์ขลังเกี่ยวเชี่ยวชาญทั้งในพุทธศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์ การวิปัสสนากรรมาฐานนะคะซึ่งได้ทุดงมาพักที่วัดเขาบนไดาอิฐจังหวัดเพชรบุรีค่ะทีนี้พระอาจารย์แสงเองเนี่ยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนท่านมรณาภาพเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ซึ่งสงบวิเวกเหมาะกับการปฏิบัติธรรมในสมัยรัตรนโกนสินทร์สุนทรภู้ก็เคยมาเยือนที่วัดเขาบนไดอีฐเหมือนกันแล้วก็ได้ร้อยกรองถึงสถานที่แห่งนี้ไว้ในนิราชเมืองเพชรค่ะ ตามประวัติศาสตร์กล่าวนะคะว่าพระอาจารย์แสงเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าเสือสอนทางเวทมนต์คาถาแล้วก็เหตุที่พระอาจารย์แสงทุดงมาอยู่ที่วัดเขาบรรดอิฐก็เพราะน้อยใจที่กล่าวตักเตือนพระเจ้าเสือไม่ให้ประพฤติทางโหดร้ายต่อสตรีไม่ได้พระอาจารย์แสงเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนี้กษัตริย์ไม่ควรทําเพราะทําให้ความขลังของวิชาที่ร่ำเรียนมาเสื่อมลงด้วยพระเจ้าเสือค่ะพระองค์นี้เนี่ยมีนิสัยดุดันชอบหมกมุ่นอยู่ในกาม ร, ราคะชอบฆ่าสัต แต่ว่าทรงพระปีชาสามารถในทางศสยศาสตร์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์คาถาไรฟ้าป ร, ระชาชนก็เกรงกลัวค่ะก็เลยขนานนามพระองค์ว่าพระเจ้าเสือหรือว่าขุนหลวงสรศักดิ์นะคะมีบันทึกอยู่ในพงศาวดารความค่ะว่าพอพระไทยสวยน้ำจันทร์พระเสพสังวาดด้วยดรุณอิตถี อายุ 11-12 ถึงปีถ้าสตรีใดโยกโครงไปทรงพระโกรธทรงพระอาญาทองยอดอกตายคาที่ถ้าสตรีใดไม่ดิ้นเสือโครงนิ่งอยู่ชอบพระอัจชาสายัยพระราชทานบําเหน็จรางวันประการหนึ่งถ้าเสด็จไปประพาตมัดสาชาต ฉลากฉลามทางชนละมาศ ก, กลางทะเลเกาะสีชังเขาสามมุกแล้วก็ประเทศใดย่อมสวยน้ำจันไปพลางถ้าหมู่พระสนมนินกรนางในแล้วก็มหาดเล็กที่ทำให้เรือพระที่นั่งโครงไหวไปมิได้มีวิจารณ์ปราศจากพระกรุณาญาณรุออำนาจแก่โทโสดำรัดสั่งให้เอาผู้นั้นเกี่ยวเบ็ดทิ้งไปในทะเลให้ปลาฉลากฉลามกินเป็นอาหารประการหนึ่งปราศจากเบญจังข้ศินมักพอพระไทยทาอาา สังวาดกับภรรยาขุนนางแต่นั้นมาปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสือค่ะครั้งที่พระเจ้าเสือสเสด็จมายัางเมืองเพชรนะคะพระองค์ก็โปรดทรงเบ็ดโดยเรือพระที่นั่งพายอยู่ในท้องที่ตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลม กรรมการเมืองเพชรสมัยนั้นเนี่ยก็ได้จัดสร้างพลับพลารับเสด็จไว้ที่บ้านคุ้งตำหนักแล้วก็ตามตำนานยังมีเรื่องเล่าต่อกันมาค่ะว่าพระเจ้าเสือได้ประกาศเป็นกฎหมายไม่ให้ราษฎรจับปลาที่พระองค์ทรงโปรดปลาที่พระองค์โปรดมากคือปลาตะเพียนและปลาหมอนะคะ นอกจากพระเจ้าเสือจะเสด็จมาที่เมืองเพชรเพื่อตกปลาแล้วก็คล้องช้างแล้วล่ะก็พระองค์ยังมีพระประสงค์เพื่อขอร้องให้พระอาจารย์แสงกลับไปที่กรุงศรีอยุธยาด้วยแต่ก็กระทาไม่สําเร็จค่ะพระอาจารย์แสงไม่ยอมกลับพระองค์ก็เลยยอมพระไทยพระอาจารย์แต่ก็โปรดให้บุรณะซ่อมแซมวัดเขาบรรดอิฐขึ้นมาใหม่ให้สวยงามหลายอย่างวัดก็เลยเจริญรุ่งเรือง แล้วก็ในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นประเพณีและก็วัฒนธรรมนะคะที่วัดจะต้องมีเกจิอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทางอาคมรวมถึงเก่งทางวิปัสสนาหรือว่าทางในซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดวิชานี้ให้กับลูกศิษย์ผู้ที่ใกล้ชิดเหมือนกันที่วัดเขาบันไดอิฐค่ะเพราะว่าปรากฏยืนยันเป็นหลักฐานนะคะว่าวัดเขาบันไดอิฐเนี่ยยังมีพระอาจารย์ที่ชื่อว่าเหลือเป็นพระที่มีเวทมนตร์ขลังมากผู้หนึ่ง ผู้คนนับถือเยอะเล่ากันว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินค่ะเมื่อทหารเมืองเพชรจะออกรบต้องมาขอผ้ายันแล้วก็ตะกรุดโทนหรือไม่ก็สักยันลงกระดมมรดน้ำมนเพื่อเพิ่มความขลังให้รอดปลอดภัยกลับมาอาคมแล้วก็วิชาขขังเหล่านี้ก็ถูกถ่ายทอดไปอย่างเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิดทุกรูปจนมาถึงรุ่นหลวงพ่อแดงนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาดรูปที่9ของวัด มีเรื่องราวอันเกิดด้วยบุญญาพินิหารในตัวท่านมากมายจะเล่าถึงในตอนต่อไปค่ะ สำหรับหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดนี้นะคะท่านเป็นพระเกจิที่มีญาณสมาธิแก่กล้ามีจิตตานุภาพสูงพอที่จะเพ่งเครื่องรางของของลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้ายันหรือว่าจะเป็นเหรียญลงยันของหลวงพ่อแดงก็เลยมีผู้นิยมเสาะหาไปบูชากันมากแม้ว่าท่านเองก็จะมรณภาพไปตั้งแต่วันที่16มกราคม2517ค่ะแต่ว่าความนิยมเลื่อมใสในศรัทธาความเชื่อในกริยาคมอภินิหารแล ก็อาคมขลังในวัตถุมงคลของท่านก็ยังไม่เสื่อมคลายหลวงพ่อดรูปนี้นะคะท่านมีอะไรดีทำไมใครๆทั่วสารทิศจึงพากันมาวัดเขาบันไดอิด ก, กันไม่ขาดสายสำหรับหลวงพ่อแดงหรือว่าพระครูยานวิราชเกิดที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะบิดาชื่อว่านายแปนมารดาชื่อนังนุ่มนามสกุลอ้นแสงนะคะเกิดเมื่อวันพุธขึ้นสองค่าเดือน11 ะะก็ปีพุทธศักราช2422ในวัยเด็กนี้ท่านช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานาแล้วก็ได้มีโอกาสร่ําเรียนหนังสืออย่างเด็กสมัยนี้จนกระทั่งอายุ20ปีค่ะพ่อแม่ก็หวังให้บวชเรียนนะคะก็เลยพาไปฝากกับพระอาจารย์เปลี่ยนแห่งวัดเขาบันไดอิดนะคะเพื่อจะได้เล่าเรียนวิชาแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุต่อไปพระภิกษุแดงก็ได้บวชแล้วก็ประพฤติเคร่งครัดต่อพระวินยัยแล้วก็ปฏิบัติต่อพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นอย่างดีนะคะ พระอาจารย์เปลี่ยนก็เลยรักใครมากกว่าสิทธิ์คนอื่นจนกระทั่งพระอาจารย์เปลี่ยนมรณภาพลงค่ะพระภิกษุแดงก็รับหน้าที่เป็นสมภารที่วัดเขาบันไดอิดแทนก็เลยกลายเป็นหลวงพ่อแดงตั้งแต่พศ2461เป็นต้นมา และแม้ว่าท่านเองจะได้เป็นสมภารนะคะซึ่งต้องมีภารกิจมากมายแต่ว่าท่านก็ยังคงปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในถร้รมเพื่อสแสวงหาวิมุตติภาวนาทุกวันยานสมาธิแก่กล้าค่ะจิตนิ่งบริสุทธิ์จนว่ากันว่าท่านเองเนี่ยมีหูทิพตาทิพกันเลยทีเดียว หลวงพ่อแดงไม่เคยอวดอ้างในยานสมาธิของท่านแต่ว่าผลของความศักดิ์สิทธิ์ในเลขยันเป่ามนของท่านก็ได้สําแดงออกมาให้ประจักษ์นะฮะว่าคุ้มครองภัยได้แน่นอนโดยมีเรื่องเล่ากันมาปากต่อปากตั้งแต่สมัยก่อนนั้นนะคะในระหว่างปี2477ค่ะจนถึงปี2480เวลานั้นเนี่ยเกิดโรคระบาดในสัตว์เป็นวัวเป็นควายเป็นหมูนะคะก็คือโรคออรินเดอรส หรือว่าโรคปากเท้าเปื่อยที่ติดต่อกันร้ายแรงพวกวัวควายก็พากันล้มตายเป็นเบือสัตวแพทย์ก็ไม่มีค่ะก็เลยต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยาชาวบ้านก็เลยพากันไปหาหลวงพ่อให้ช่วยปัดเป่าปกป้องโรคระบาดในสัตว์ให้ด้วย หลวงพ่อก็เมตตาค่ะปลูกเสกเลขยันในผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแจกให้กับชาวบ้านที่เลี้ยงควายนำไปผูกปลายไม้ปักไว้ที่ข้อของตนผลปรากฏนะฮะว่าข้อสัตว์ที่ปักผ้าประเจียดเลขยันเนี่ยไม่มีใครอ่าไม่มีสัตว์ตัวไหนตายเลยนะคะทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดเขาบันไดอิดเมื่อรู้กิิศัพท์ก็เลยพากันมาขอยันหลวงพ่อแดงทุกวันม่ได้ขาด จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2คือมหาสงครามเอเชียบูรพาค่ะสงครามนี้มีทหารญี่ปุ่นมาขึ้นที่จังหวัดประจวบนะคะแล้วก็เกิดการต่อสู้กันกับทหารอากาศของไทยที่นั่นชาวเพชรบุรีก็ตระหนกตกใจชักชวนกันมาหาหลวงพ่อแดงท่านก็ลงผ้าประเจียดยันแจกให้คุ้มครองป้องกันตัว เมืองเพชรบุรีเมื่อปี2487ก็เกิดภัยสงครามชนิดร้ายแรงมีระเบิดลงทุกวันทำลายสถานีรถไฟสพานข้ามแม่น้ำบ้านเรือนโรงเรียนก็ต้องปิดข้าราชการไม่ได้ไปทำงานทุกหน่วยราชการปิดหมด แล้วก็ปรากฏเรื่องเป็นที่ฮือฮาค่ะว่าบ้านคนที่มีผ้ายันหรือว่าห้อยเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยกลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยหลวงพ่อแดงจึงดังใหญ่หาจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2กิตติคุณของหลวงพ่อในทางกรียาคมจึงปรากฏความศักดิ์สิทธิ์อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงปรากฏอีกครั้งนะคะเมื่อเกิดคอมมิวนิสต์ยวนเหนือบุกยวนใต้ก็ปรากฏว่าประเทศไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่รบในเวียดนาม คนที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงห้อยคออยู่เนี่ยไม่มีใครถูกอาวุธเป็นอันตรายแก่ชีวิตแม้แต่รายเดียว ท, ทั้งทางที่เข้าประจันบาลอย่างหนักเป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างชาติว่าเอ๊ะทหารไทยนี่มีของดีอะไรก็เลยได้รับคําตอบจากทหารไทยว่ า, วามีเหรียญหลวงพ่อแดงไง หลวงพ่อแดงท่านเป็นพระที่คุยสนุกค่ะมักจะมีเรื่องจากประสบการณ์ของท่านมาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังมากมายคือฟังแล้วไม่เบื่อท่านเองก็เป็นพระใจดีมีเมตตาสูงแล้วก็อารมณ์ดีเสมอนะคะไม่ชอบดุด่าว่าใครโดยเฉพาะคำหยาบคายถึงพ่อแม่ท่านห้ามหมดค่ะท่านว่าทุกคนเขามีพ่อมีแม่การด่า ถ, ถึงบุพการีเนี่ยทให้ความดีงามเสื่อมถอยถึงห้อยพระพระท่านก็ไม่คุ้มครอง หลวงพ่อแดงมรณภาพด้วยโรคชรานะคะเมื่ออายุพรรษาได้อยู่ที่96ปีนะคะแล้วก็พรรษาอยู่ที่74พรรษาก่อนมรณภาพท่านก็เคยพูดคุยกับพระปหลัดบุญสง่งธรรมปาโลรองจเจ้าอาวาสขณะนั้นเมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผาให้เก็บร่างของฉันไว้ที่หอสวดมนต์และให้เอาเหรียญที่ปลูกเสกรุ่นที่หนึ่งใส่ปากไว้พร้อมเงินพดด้วงหนึ่งก้อนส่วนนี้ฉันเอาไปได้ และให้อัลคมินทาตัวชั้นให้เหลืองเหมือนทองคำพระปหลัดบุญส่งรับปากนะคะแล้วก็ได้ทำตามที่หลวงพ่อประสงค์ทุกอย่างและหลังจากที่หลวงพ่อแดงมรณภาพแล้วค่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์มาซาจั์ขึ้นที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอภินิหารของหลวงพ่อแดงมีจริงนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเพชรบุรีท่านหนึ่งซึ่งอยู่ๆท่านก็นิมิตฝันเห็นบ่อน้าโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นก้ามปูใหญ่ พอขุดก็พบนะฮะว่าว่าเป็นบ่อน้ำจริงๆบ่อน้ำแห่งนี้หลวงพ่อแดงเคยพูดไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นบ่อน้ำวิเศษแล้วก็ขณะที่ขุดยังพบหัวพญานาคสีขาวเป็นแบบปูนปั้นอยู่ที่ก้นบ่อ ด, ด้วยหนึ่งหัวเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวค่ะก็พากันแห่มาเพื่อจะตักเอาไปใช้กัน แต่ปรากฏว่าพบงูใหญ่ตัวหนึง่งนอนขดอยู่ใต้สังกะสีที่เอาปิดปากบ่อชาวบ้านที่เห็นบอกว่าลักษณะงูเนี่ยมันมีงอนที่หัวด้วยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปตักน้าที่บ่อนี้อีกเลยค่ะแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเคยมาช่วยงานในวัดฝันเห็นหลวงพ่อแดงท่านมาต่อว่าบอกว่าทาอะไรก็ไม่บอก นายตำรวจก็ไปเล่าให้พระประหลัดบุญส่งเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันฟังท่านก็ไม่เชื่อแล้วยังสั่งให้ย้ายศาลเก่าสองศาลบริเวณเชิงเขาบันไดอิฐเพื่อปรับปรุงบริเวณโดยไม่ยอมทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อไสยศาสตร์ปรากฏว่าตกเย็นค่ะก็เกิดอาการผิดปกติคืออยู่ๆ้อก็เริ่มบิดแล้วก็ตัวแข็งไป ทั้งตัวเลยขยับไม่ได้ชาวบ้านมาเยี่ยมเห็นว่าอาการหนักก็เลยช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเปาโลนะคะแต่ว่าพอถึงโรงพยาบาลอาการกลับหายราวปลิดทิ้งเมื่อเอกซเรย์พร้อมตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบนะคะว่าเป็นอะไรแล้วก็ระหว่างที่นอนรักษาตัวอยู่ท่านก็พูดออกมาคนเดียวโดยไม่รู้ตัวว่าของดีมีอยู่ผ่านไปผ่านมาไม่ใช้ต้นก้ามปูตรงนั้นเป็นบ่อน้าให้ขุดลงไปแล้วจะเจอมีของดีทาไมไม่รักษา ในภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วพระประหลัดบุญส่งก็ได้ฝันอีกครั้งโดยในความฝันเนี่ยมีคนนุ่งผ้าถกเมนมาหามาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนมัดหลวงพ่อเองพูดแล้วเขาก็เอามือรีดที่ตัวหลวงพ่อเหมือนรีดเอาไขมันออกทั้งขาแล้วก็แขนนะคะจนหลวงพ่อพระประหลัดเนี่ยสะดุ้งตื่นแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องพอถามชื่อเขาก็ถอยออกไปแล้วก็ตอบกลับมาว่าเขาเนี่ยเป็นเปรต จากนั้นเขาก็หายวับไปกลายเป็นแสงไฟพร้อมกับเสียงวี๊ดดังมากซึ่งพระในวัดก็ได้ยินกันทั่วค่ะเรื่องนี้ได้ทำให้พระประหลัดบุญส่งจเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิดรูปปัจจุบันต้องยอมรับนะคะว่าสยศาสตร์แล้วก็อภินิหารของหลวงพ่อแดงนั้นมีจริงเพราะว่าเจอแล้วด้วยตัวของท่านเองค่ะ